อัตติอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีที่พึ่งอันใดจะดีเท่ากับตนคือตัวเราเป็นที่พึ่งของเราดีที่สุดเพราะเราจะไม่มีวันจากกันนั่นเองเราจะต้องอยู่กับเราไปตลอด ไม่ว่าเราไปไหนก็จะมีเราอยู่กับเราเสมอถ้าพึ่งผู้อื่นพึ่งสิ่งอื่นจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังนั่นเองไม่เที่ยงไม่ถาวรต้องมีการพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดา เราจรึงต้องควรมาหัดพึ่งตนเองสร้างที่พึ่งด้วยตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองทั้งทางร่างกายและทางจิตใจในเบื้องต้นเราอาจจะต้องพึ่งผู้อื่นไปก่อนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเช่นตอนที่เราเกิดมาใหม่ ร่างกายของเรายัางเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งบิดามารดาพึ่งพ่อแม่ไปก่อนให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงดูช่วยทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ป้อนข้าวให้ป้อนน้าให้อาบน้าอาบท่าให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้รักษาพยาบาลให้ แล้วก็สอนความรู้ต่างๆให้กับเราส่งเราไปโรงเรียนเพื่อได้มีการศึกษามีการล่ำเรียนมีวิชาความรู้ที่เราจะได้เอาไปใช้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราต่อไปพอร่างกายของเราจะเริ่เติบโตขึ้นมา เป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะสามารถดูแลตนเองได้เป็นที่พึ่งทางร่างกายของตนเองได้นี่คือการพึ่งตนเองทางร่างกายถ้าเราสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อน ใครจะอยู่หรือไม่อยู่พ่อแม่จะตายจากเราไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้ถ้าเราไม่หัดเลี้ยงดูแลตัวเราเองปล่อยให้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตลอดโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังให้พ่อแม่ป้อนน้ำป้อนข้าวให้อาบน้ำอาบ ทาให้ทำอะไรต่างๆให้เวลาพ่อแม่จากไปก็จะลำบากจะไม่สามารถพึ่งตนเองได้อาจจะต้องตายตามพ่อแม่ไปก็ได้เพราะเมื่อไม่รู้จักเลี้ยงดูตนเองร่างกายก็จะต้องตายไปในที่สุด แต่ถ้าเราหัดเลี้ยงดูตัวเราเองตั้งแต่เราเป็นเด็กพอทำอะไรเองได้ก็หัดทำไปหัดทำไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำได้พอเราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองแล้วทีนี้เราก็สบายพ่อแม่จะอยู่กับเราหรือไม่ก็ตามเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ทางร่างกายอันนี้เป็นเพียงหนึ่งในที่พึ่งเรายังมีอีกที่พึ่งหนึ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาสร้างตัวเราให้เป็นที่พึ่งของเราทางจิตใจเรามีสองส่วนด้วยกันเรามีร่างกายและเรามีจิตใจ เราก็ต้องมีที่พึ่งทั้งทางร่างกายและถิตจิตใจเราก็ต้องพึ่งตนเองให้ได้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจตอนต้นเราทางจิตใจก็เหมือนกับร่างกายตอนนี้เรายังอาจจะพึ่งตนเองไม่ได้ทางจิตใจเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆทางจิตใจได้ คือไม่สามารถบำบัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจและบำรงสุขให้อยู่กับจิตใจไปตลอดได้เรายังไม่มีที่พึ่งทางใจกันเราก็ยังเป็นเหมือนเด็กทารกทางร่างกายทางร่างกายถ้าเป็นเด็กทารกก็พึ่งตนเองไม่ได้ ก็ต้องพึ่งบิดามารดาทางจิตใจถ้าเป็นทารกยังพึ่งตนเองไม่ได้ยังบำบัดทุกข์บำบัดสุขให้กับตนเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่ของพวกเราทางจิตใจพ่อแม่ของพวกเราหรือครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้รู้จักบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับจิตใจได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าพร ะ, พระอริยสงสาวกไม่มีทุกข์ภายในใจมีแต่ความสุขภายในใจไปตลอดเพราะท่านเป็นที่พึ่งของจิตใจของท่านเองได้ ท่านรู้จักวิธีบำบัดความทุกข์ต่างๆท่านรู้จักวิธีบำรงสุขต่างๆให้แก่จิตใจท่านเลยกลายเป็นที่พึ่งของของโลกไปไม่มีที่พึ่งอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับที่พึ่งคือพระรัตนตรัยพพุทธังส์สลานังกชามิ ธรมังสรนังกัจฉามิสังคังสารนองกัจฉามินี่คือที่พึ่งทางใจที่เรียกว่าลัตนไตรยัยลัตนแปลว่าแก้วประเสริฐเช่นเพชรนินจินดาของที่มีคุณค่าราคามากที่สุดตรแปลว่าสาม มีเพชรอันวิเศษอยู่สามเม็ดด้วยกันคือพุทธรัตน ะ, ะเพชรที่มีชื่อว่าพุทธเพชรที่มีชื่อว่าธรรมธรรมรัตนะเพชรที่มีชื่อว่าสังขะเรียกว่าสังขรัตน ะ, ะนี่แหละเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้ที่ไม่มีที่พึ่งได้ ผู้ที่ยังไม่มีที่พึ่งทางจิตใจต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาศัยพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งไปก่อนจนกว่าจะสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ต่อไปเป็นได้ก็เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ให้คำสั่งคำสอน เป็นที่เป็นผู้บอกให้เราหัดวิธีเป็นที่พึ่งของเราเราจึงต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระก่อนเป็นที่พึ่งทางใจก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถตอนนี้เรายังพึ่งตนเองไม่ได้ทางจิตใจ เรายังบำบัดทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดไปไม่ได้เรายังบำรงสุขที่ไม่มีในจิตใจให้ปรากฏขึ้นมาให้อยู่กับจิตใจไปตลอดไม่ได้ยังไม่ได้เราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือ ต้องเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองอันนี้เป็นวิธีเดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้มาทําให้เราตัวเราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําได้เพียงแต่บอกเราสอนเราวิธีที่จะทําให้เรา เป็นที่พึ่งของเราทางจิตใจดังนั้นเราอย่าเข้าใจผิดอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาเสกมาเป่าอะไรต่างๆให้กับเรามาเป่าความทุกข์ให้หายไปมาเสกความสุขต่างๆให้เกิดขึ้นมาในใจของพวกเราอันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แม้จะวิเศษขนาดไหนก็ทำไม่ได้อันนีเน้เป็นเรื่องเหนือความสามารถของของทุกคนของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถมาเสกมาเป่าให้ความทุกข์ทั้งหลายหายไปให้มีแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียว มีแต่ผู้รู้วิธเีเป่าความทุกข์ต่างๆให้หายไปรู้วิธีเสกความสุขต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจของตนเท่านั้นนี่คือความสามารถของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสามารถเป่าความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของท่านเองได้ ท่านสามารถเสกความสุขต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจของท่านได้แต่ท่านไม่สามารถไปเสกไปเป่าออความสุขความทุกข์ต่างๆในใจของผู้อื่นได้ท่านทําได้ก็คือบอกวิธีการปัดเป่าความทุกข์ต่างๆและความเสกความสุขต่างๆ ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของผู้ที่ไม่รู้ได้ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนมาบอกเราเราจะไม่มีวันที่จะสามารถบำบัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ไม่สามารถเสกความสุขต่างๆ ให้เกิดขึ้นมาภายในใจให้อยู่กับเราไปได้ไปตลอดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเท่านั้นที่รู้วิธีการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะก็คืออาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นเองบะลมศสาสดาเห็นไหม พระพุทธเจา้าทำไมเราเรียกว่าบรมมสาสดาทำไมเราไม่เรียกว่าบรมมาเสกบรมมาเป่าเพราะท่านไม่เสกไม่เป่าท่านสอนสาศาสด า, สาศดาสดาจารย์เห็นไหมสาธาอาจารย์บรมปรมอาจารย์ศาสดาบรมมาสดาก็คือปรมอาจารย์พระอาจารย์ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดบรมเนี่ยยิ่งใหญ่ปรมังบรมนี้แปลว่าเป็นผู้รู้มากที่สุดคือพระพุทธเจ้าในเรื่องของการบำบัดทุกบำรงสุขของจิตใจนี่คือครูครูอาจารย์ของพวกเราโลกวิทูเนี่ยพระพุทธเจ้าคือผู้รู้โลก รู้ความจริงของโลกรู้ความจริงของทุกขนั่นเองรู้ความจริงของทุก ข, ของสุขว่ามันอยู่ที่ไหนกันรู้ว่าความทุกนี้อยู่ในราบยศสระเสริญสุขรู้ว่าความสุขอยู่ที่นัติสันติปรังสุขขงังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง อยู่ที่สันติคือความส ง, งบของใจไปบางไอตัวนั้นหน่อยนีช่วยเก็บกระป๋งองเข้ามาไว้ข้างในนะใครอยากจะขยับขยายก็ได้แต่ใครชอบน้ำมนต์ของเทวดาก็รับต่อไปเดี๋ยว่าจะหยุดก็ได้นะ นี่แหละคือคุณสมบัติของพระรัตนตไตยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาเสกมาเป่าอะไรต่างๆให้กับเราการที่เราเข้าหาพระรัตนตไตยเพื่อขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้จึงเป็นความเข้าใจผิดเหมือนกับไปหาหมอเวลาไม่สบาย เราขอให้หมอเสกหมอเป่าให้รักษาด้วยการเสกด้วยการเป่าเสกยังไงเป่ายัางไงโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่หายไปโรคภัยไข้เจ็บจะหายก็ต้องรักษาต้องทาตามที่หมอสัง่งหมอสั่งให้กินยาก็ต้องกินยาหมอสั่งให้ฉีดยาก็ต้องฉีดยา หมอสั่งให้ผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดหมอสั่งให้ฉายแสงก็ต้องฉายแสงถึงจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายไปได้ฉันไดความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจความสุขใจที่ยังไม่มีอยู่ในใจถ้าเราต้องการเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสรง สอนทรงสั่งให้ปัดให้กระทาตามไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้ามาเสกมาเป่าแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจจะหายไปแล้วบรลมมาสุขคือปรมังสุขขังจะปรากฏขึ้นมาภายในใจอันนี้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เป็นผู้เสกผู้เป่า พาะอยยสงสาวกก็ไม่ใช่เป็นผู้เสกผู้เป่าเป็นผู้สั่งผู้สอนอ า, า อ, อาจารย์โยเมโฮหิตอาจารย์เป็นอาจารย์ของพวกเราเป็นบรมมสาสดาของพวกเราเราต้องศึกษาเข้าหาเพื่อศึกษา เมื่อศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องพอเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติตามผลที่เราปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาบมัลลมังสุขขังบรล ม, มัสุขก็จะปรากฏขึ้นมา ประกอขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของพวกเราเองเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองที่พึ่งทางใจเราต้องปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติแทนเราไม่ได้คูบาจารย์ทั้งหลายปฏิบัติแทนเราไม่ได้บิดามานดาก็ปฏิบัติแทนเราไม่ได้เรื่องที่พึ่งทางใจนี้ ต้องปฏิบัติกันเองเหมือนการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานเองคนอื่นรับประทานให้ไม่ได้นี่คือเรื่องของการสร้างที่พึ่งทางใจเราต้องสร้างด้วยการศึกษาพระธรรมคาสรรั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระอริยสงฆ์สาก มีสองคำสอนนี้เท่านั้นที่เป็นคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคำสอนที่ถูกตั้งที่เรียกว่าสวากขาโตภะกวตาธรโมต้องเรียนรู้จากผู้ตัดสรู้แล้วผู้บรรลุธรรมแล้วถ้าเรียนรู้จากผู้ยังไม่ตัดสรู้ยังไม่บรรลุธรรมยังเป็นคำสอนที่ไม่เป็นคาสอนที่แท้จริง เป็นคำสอนที่มีความไม่จริงผสมประสานอยูอ่ผู้ที่ไม่ได้บรติรู้ทำเวลาเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปสอนมักจะสอนแบบผิดผิดถูกถูกอสอนแบบขาดขาดเกินเกิน อ, อันไหนไม่ชอบก็ไม่สอน อ, อันไหนชอบก็สอนแต่อันนั้นเรียกว่าขาดขา ด, ขาดเกินเกิน อย่างที่มีสำนักหนึ่งที่สอนวิธีเจรารวิปัสนาให้ดูความรู้สึกที่มีอยู่ทั่วสะพังกายอันนี้มันเป็นการสอนที่สอนตามความชอบของคนสอนแต่ความจรงิงสิ่งที่ควรจะสอนวิปัสนาคือสอนเรื่อง ความจริงของร่างกายความจริงของร่างกายก็คืออันนี้จังไม่เที่ยมร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่นี่ไปสอนให้ดูว่าตอนนี้ความรู้สึกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงศีรษะเลื่อนลงมาที่ที่ลำคอเลื่อนลงมาที่แขนที่ขาเป็นอันนี้จัง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับไหลวนเหมือนเลือดที่มีอยู่ในร่างกายความรู้แบบนี้มันรู้ไปทำไมหมืนมันมากำจัดความทุกเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายได้หรือเปล่ามันกำจัดไม่ได้คนที่ไปเรียนก็หลงคิดว่านี่คือวิปัสสนาต้องดูความไม่เที่ยงแท้ของความรู้สึก ที่มันเคลื่อนไปตามร่างกายเหมือนกับเหมือนกับเลือดที่มันไหลเวียนในร่างกายความรู้สึกอยู่ตรงนี้เลื่อนไปตรงนี้เลื่อนมาตรงนูน้นอันนี้ฟังแล้วไม่รู้ว่าจะไปรู้มันทำไมมันเป็นปัญหากับเราหรือเปล่าไม่เป็นมันจะอยู่ตรงไหนมันจะรู้สึกมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรา มาดูความรู้สึกที่มันเจ็บดีกว่ามันเจ็บตรงนี้มันเป็นปัญหาไหมนั่งสมาธิไปสักครู่เริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วอออ น, นันะให้ดูตัวนั้นดีกว่าดูแล้วก็พิจารณาว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นของเราหรือไม่ได้เป็นของเราคือเราสั่งมันได้หรือเปล่า เวลามันเจ็บเราสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกับมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายไปเพราะความอยากให้มันหายไปนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ไม่ใช่ความเจ็บทางร่างกายที่ทำให้ใจเราทุกข์กันแต่ความอยากที่ให้ความเจ็บของร่างกายหายไปนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์กันผู้ที่ไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปไม่ทุกข์ใจจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายท่านเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ ใจท่านเฉยเป็นอุเบกขาเพราะท่านมีวิปัสสนาปัญญานั่นเองท่านรู้ว่าความเจ็บนี้มันเป็นของที่เราไปสั่งมันไม่ได้มันเหมือนฝนเมื่อกี้มันตกเนี่ยเราไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันตกไปเดี๋ยวถึงเวลามันหยุดมันหยุดของมันเองอันนี้ก็เหมือนกันเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ ไปสั่งให้มันหายมันก็ไม่หายก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าใจเราไม่อยากทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันหายเท่านั้นเองพอเราไม่มีความอยากให้มันหายใจก็จะไม่ทุกข์แล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากมี่เห็นอริยสัจสองข้อแรก เห็นอริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งคือทุกความทุกข์ใจที่เวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาเกิดความความทุกข์ใจนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มาพบว่าความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากความอยากที่ให้ความเจ็บหายไปแต่ความเจ็บมันไม่หายตามความอยากมันไม่ได้อยู่ภายใต้คาสั่งของเรา มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไปแล้วเดี๋ยวมันก็มานี่เราก็ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเวลามันมาก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะอยู่ก็ไล่มันไปไม่ได้ พอเราเห็นความจริงยอมรับความจริงเราก็ต้องเฉยเฉยต้องปล่อยวางปล่อยให้มันอยู่เวลามันเจ็บมันก็ปล่อยมันเจ็บไปเวลามันไม่เจ็บก็อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บทั้งทั้งที่ยังทียังไม่เจ็บก็ทุกไปก่อนก็ไดเ้เวลาไปหาหมอหมอบอกจะฉีดยาหนีหมหมอยังไม่ทันฉีดเลยใจทุกไปก่อนนะ พรไม่อยากให้เจ็บนั่นเองต้องทําใจเฉยๆเวลาไปหาหมอแล้วใจจะไม่ทุกข์พอจะทุกข์ก็พุโทโธพุทโธอทําใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางอันนี้ก็จะดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากได้ก็จะเห็นอริยสัจข้อที่สามเห็นนิโรธเห็นว่าทุกข์นี้ดับไปเพราะเราอยู่ หยุดความอยากอหยุดความอยากไม่เจ็บได้หยุดได้ด้วยอะไรก็หยุดด้วยมรรคมรรคก็คืออะไรสติไงปัญญาไงพุทโธก็คือสติไงปัญญาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับอไปสั่งให้ความเจ็บมันหายไปหรือไม่มาหรือมันอ หรือมันถ้ามันอมันไม่มาก็อย่าก็ไม่อยากให้มันมาก็สั่งมันไม่ได้สั่งว่าอย่ามาก็ไม่ได้ถึงเวลามันจะมาก็มาถึงเวลามันจะไปก็ไปถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ให้มันไปมันก็ไม่ไปอเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเวทนาอว่ามันมามันไปมันเกิดมันดับ แต่ผู้ที่จะไปทำให้มันเกิดมันดับไม่ใช่เรามันเป็นอนัตตาผู้ที่ทำให้มันเกิดมันดับนี้มันเป็นผู้อื่นเป็นสิ่งอื่นเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปะควบคุมบังคับได้เสมอไปอพอเราไม่สามารถควบคุมบังคับความเจ็บได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องทำใจให้เฉยๆปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาสติก็พุทธโธพุทธโธไปปัญญาก็ยอมรับว่าเวลาอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับเวลามันเกิดจะให้มันดับก็ไม่ได้เวลามันเจ็บจะให้มันหายก็ไม่ได้ก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหาย อยากก็ไม่หายอยู่ดีความเจ็บทางร่างกายไม่หายไปด้วยความอยากแต่กลับมาเพิ่มความเจ็บทางใจขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ใจนี้เองอันนี้แหละถึงเรียกว่าวิปัสนาดูเวทนาดูความรู้สึกเนี่ยต้องดูแบบนี้ไม่ใช่มาดูตอนที่มันไม่มีความเจ็บนะตอนที่เดินจงกรมตอนที่นั่งเฉยๆแล้วก็ ดูเวทนาดูความรู้สึกว่าความรู้สึกตอนนี้มันขึ้นมาที่ศีรษะมันลงไปที่เท้าเราก็ไม่รู้มันมองอยังไงความรู้สึกไม่รู้เขามองกันยังไงว่าตอนนี้ความรู้สึกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้กลายเป็นจินต น, นาการไปสีเรียสมไปอาจารย์บอกให้เห็นก็ต้องเห็นตามที่อาจารย์บอกเห็นไหมตอนนี้ความรู้สึกอยู่ตรงนี้ ถ้าบอกไม่เห็นก็กลัวจะหาว่าโง่ก็เลยต้องอเห็นก็เห็นอาจารย์ว่าอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เป็นการพิจารณาเวทนาการพิจารณาเวทนาต้องพิจารณาความเจ็บไม่เจ็บเนี่ยเพราะตัวนี้มันเป็นตัวสำคัญ ตัวที่มาสร้างปัญหาให้กับเราตัวอื่นไม่ต้องไปดูความสุขไม่ไม่ต้องไปดูมันไม่มีปัญหาเวลาเกิดสุขเวทนาไม่มีปัญหาเวลาไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็ไม่ค่อยมีปัญหาไอ้ตัวที่มีปัญหาก็คือเนี่ยไอ้ตัวทุกขเวทนาเนี่ยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยตัวไหนมันเป็นปัญหาก็ตัวทุกขเวทนา ต้องพิจารณาตัวนี้ปล่อยวางมันให้ได้ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าปล่อยวางได้มันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าปล่อยไม่ได้ถ้าอยากให้มันหายมันจะทาให้เราทุกข์อ่านี่คือวิปัสสนานี่เราจะเห็นทั้งอริยสัจสี่เราจะเห็นทั้งไตรลักษณ์มันเป็นพวง เหมือนพวงกุญแจสองพวงติดอยู่ด้วยกันเป็นห่วงสองห่วงเหมือนห่วงโอลิมปิกเนี่ยมันติดกันที่ไหนมีตายรักที่นั่นมีอริยสัจสี่เพราะที่เชื่อมอริยาตายรั ก, กอริยาาสัจสีก็คือตัวทุกข์นั่นเองอริยสัจสี่ก็มีทุกข์ข้อที่หนึ่งสัจจะทำข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์กระี่ย ตายักก็มีทุกข์อ น, นิยจังทุกขังอนัตตาตัวเดียวกันถ้าใครเข้าใจหลักของอริยสัจสี่เข้าใจหลักของตายรักแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมจะรู้ว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ใจดับอย่างไรดับด้วยการปล่อยวางสิ่งที่ใจไปทุกข์ด้วยทุกข์กับร่างกายก็ต้องปล่อยวาง ทุกข์กับความแก่ก็ต้องปล่อยวางความแก่ทุกข์กับความตายก็ต้องปล่อยวางความตายทุกข์กับความเจ็บก็ต้องปล่อยวางความเจ็บนะถ้าปล่อยวางคือหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ความทุกข์ใจก็จะหายไป <Yeah. S 1> ผู้ที่จะทําให้ใจหายทุกข์ก็คือไตรลักษณ์นี่คือการเห็นไตรลัก เห็นว่าเวทนาหรือร่างกายในความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่เที่ยงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เมื่อเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยอมรับความจริงยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็เรียกว่าปล่อยวาง ปล่อยให้แก่ปล่อยให้เจ็บปล่อยให้ตายพอปล่อยวางความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดไปพอความอยากหยุดไปความทุกข์ก็หายไปถ้าปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆ จ, จ, จะต้องเห็นสองตัวนี้สองห่วงนี้ต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นใจรักที่มันทํางานเกี่ยวข้องกันฝ่ายหนึ่งก็เป็นตัวที่จะ สร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นตัวที่จะดับความทุกข์ลายลักษณ์นี้เป็นตัวที่จะมาดับความทุกข์ตัณหาความอยากนี่เป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์นี่หละถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาถ้าไม่ไปเรียนกับคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่มีวันรู้หรอก ไม่เคยอ่านที่ไหนนั้นธรรมะที่อ่านมาไม่เห็นมีใครพูดถึงให้สองตัวนี้เลยพูดเรื่องอะไรร้อยแปดพันประการเป็นเหมือนเต้นระบำมรอบกองไฟไม่มีใครพูดถึงวิธีเข้าไปในกองไฟไปอยู่ในกองไฟได้อย่างไรไม่มีใครพูดอย่างนียทุกเหมือนกองไฟใจของพวกเราเหล่านี้ต้องอยู่ในกองไฟให้ได้อยู่ในกองทุก อย่างไม่เดือดร้อนได้อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่กับการพัดพากจากกันได้อย่างไม่เดือดร้อนอันนี้ถ้าไม่มีไม่มีครูอาจารย์ผู้ที่รู้เรื่องราวเหล่านี้จะไม่มีไม่มีใครสอนสอนก็สอนแบบวิ่งรอบกองไฟนั่นแะ ดูเวทนาก็ดูตอนมันวิ่งรอบไปร่างกายตอนนี้อยู่บนศีรษะตอนนี้เลื่อนลงมาที่แขนที่ขาที่ท้าอะไรก็ว่าไปไม่รู้มันดูอะไรเวลามันเจ็บมันปวดทําันไม่ดูมันตอนนั้นเวลานั่งสมาธิแล้ว เ, เกิดอาการเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นมาทันทีความอยากเลยใช่ไหมอยากจะลุกเลยใช่ไหมอยากจะจะขยับแข้งขยับขาเเออ พอถูกบังคับไม่ให้ขยับก็ทุกข์ใจขึ้นมากระวลกระวายกระสับกระส่ายไม่อยากจะนั่งทรมานมันไม่สุขเพราะไม่รู้จักวิธีอยู่ในกองไฟพอเกิดไฟลูกนี้อยากจะวิ่งหนีออกจากกองไฟใจนี้อยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่มีวันตายไม่มีอะไรที่จะทำลายใจได้แม้จะให้มันอยู่ในกองไฟมันก็ไม่ กองไฟก็ไม่สามารถมาทำลายใจได้สิ่งที่มันทำลายได้ก็เพียงร่างกายเท่านั้นเองฉะเช่นเวลาร่างกายถูกไฟเผาเนี่ยตอนนั้นใจมันหนีไปแล้วมันไม่เดือดร้อนแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยตอนที่ถูกไฟเผาเนี่ยมันก็เหมือนเจอทุกขเวทนาดีๆนี่เจอความเจ็บทางร่างกายถ้ามันมีวิปัสสนาจริง มันอยู่กับไฟที่เผาร่างกายได้มันจะทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้ปล่อยวางพอปล่อยวางได้ร่างกายจะถูกเผาไปใจมันก็ไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องของการสร้างที่พึ่งทางใจไม่ให้ใจทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเองเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายของร่างกายหรือเรื่องของสิ่งต่างต่างบุคคลต่างต่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเหมือนกันแต่นนนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราไปอยากไม่ได้ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ถึงเวลาเขาจะไปเขาก็ไปนอะพอเขาไป ถ้าเราอยากให้เขาอยู่อะไรเกิดขึ้นมาก็ร้องห่มหร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยากไม่ให้เขาไป น, นั่นเองถ้ารู้ว่าเขาต้องไปนแล้วห้ามยังไงเขาก็ไม่อยู่จะไปอยากยังไงเขาก็ไม่อยู่จะไปร้องห่มร้องไห้อย่างไงเขาก็ไปร้องห่มร้องไห้อย่างไงเขาก็ไม่กลับมา แล้วทำไมห้ามไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เคยฝึกใจไม่เคยสอนใจให้ปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาหนนเองยังมีความอยากอยู่ถ้าไม่ฝึกจิตไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกสติสมาธิปัญญาใจจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาเองไม่ได้ใจจะต้องมีความอยากมาลุมเล้าตลอดเวลา ไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามเรื่องดีก็ทุกเรื่องไม่ดีก็ทุกเวลาเจอเรื่องดีก็อยากให้มันดีไปนานๆพออยากขึ้นมาก็ไม่สบายใจและเอ๊ะมันจะดีไปตลอดหรือเปล่ามันจะดีไปถึงเมื่อไหร่เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้ะทั้งๆ ท, ที่มันยังไม่เกิดเลยทั้งที่มันยังดีอยู่แต่มันเริ่มห่วงละเริ่มหวงขึ้นมาละก็คือความอยาก อยากให้มันดีตลอดอยากให้มันสุขตลอดก็จะเกิดความอยากแล้วเกิดความอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นม า, เ, าเกิดความหวงเกิดความห่วงขึ้นมาเอาจะดีไปได้สักกี่วันความสุขรอบนี้มันจะสุขไปได้สักกี่วันมันมันความอยากมันทํางานตลอดเวลากับสิ่งต่างๆที่เรา มาได้มาครอบครองร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งเหมือนกับสิ่งต่างๆอย่างอื่นสมบัติต่างๆที่เราได้มาก็เหมือนกันไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราร่างกายของพ่อของแม่ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายของสามีภรรยาของบุตรทิดาก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยจะต้องมีการพัดภาคจากกัน ไม่ช้าก็เร็วไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายแต่เราไม่เคยยอมรับความจริงอันนี้กันมีแต่อยากให้อยู่ไปนานๆอยู่กับเราไปนานๆาเป็นของเราไปตลอดถ้าจะจากก็ขอจากกันตอนตายไปพร้อมกันทีเดียวเลยบางคนนี่เวลารู้ว่าจะต้องจากกันทนไม่ไหวรอเวลาให้จากกันไม่ได้ กลัวคนอื่นจะจากก่อนเราไปก็เลยนัดฆ่าตัวตายพร้อมกัน่ะอจากกันไปพร้อมกันเลยอันนี้ก็ทุกข์อีกแบบนึ่งทุกข์ทั้งนั้นเน่ยพอมีอะไรแล้วมันจะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเพราะพอมีอะไรก็ยึดติดะไม่อยากให้มันจากเราไปไม่เคยคิดว่าตอนที่ไม่มีทำไมอยู่ได้วะ เมื่อก่อนเราไม่มีไอคนนี้ทําไมเราอยู่ได้พอตอนนี้มันจะไปทําไมไปล่อยให้มันไปไม่ได้ทาําไมอย่ามาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วอาจจะไปคิดไม่ดีก็ได้ไปคิดร้ายกับเขาก็ได้เอา้ามันจะไปมไม่อยากให้มันไปมันจะไปฆ่ามันดีกว่าจากของที่รักก็กลายเป็นของที่เกลียดขึ้นมาะ อันนี้เจตน์นี่มันเป็นได้ทุกอย่างนะถ้ามันปล่อยวางไม่เป็นถึงเวลามันจะบ้าขึ้นมามันก็บ้าขึ้นมาได้เวลามันรักมันหวงอะไรมากๆนีน่เวลาที่มันจะต่อสู้ขึ้นมานี่มันทำได้ทุกอย่างนะแม้แต่สิ่งที่รักมันยังฆ่าได้เพราะห้ามไม่ให้ใคามาแตะ ต้องเป็นของเราเพียงคนเดียวพอจะไปเป็นของคนอื่นก็ฆ่ามันเสียดีกว่าเนี่ยทั้งที่รักกันจเกินจะกินพอจะต้องสูญเสียมันไปที่นี้ก็ฆ่ามันได้เลยนนี่แหละคือจิตใจที่ไม่มีอที่พึ่งของตนเองต้องไปพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ พอเวลาพึ่งไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้ววิธีแก้ปัญหาก็แทนที่จะแก้ปัญหากับไปเพิ่มปัญหาขึ้นมาไปฆ่าเขานี่มันไปแก้ปัญหาตรงไหนมันก็ไปเพิ่มปัญหาขึ้นมาทั้งทางกฎหมายทั้งทางกฎแห่งกรรมกฎหมายก็ถ้าเขาจับได้ก็ถูกจับไปลงโทษเองกฎแห่งกรรมนี้ก็หนีไม่พ้นตายไปกฎแห่งกรรมก็จับลงโทษต่อไป เทวทัตเนี่ยนะโกรธพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งเลยกันพอเวลาตายไปกฎแห่งกรรมก็จัดการไปตกนรกขุมขุมที่ลึกที่สุดนะเพราะเป็นอนันตบริยกรรมนี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาพระเทวทัตไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโต ก็ไปแก้ด้วยการไปขอจากพระพุทธเจ้าพอขอแล้วไม่ได้ก็โกรธเสียใจอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าขึ้นมาแทนที่จะแก้ด้วยการยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องยศเรื่องตำแหน่งนี้มันอนันยิังมันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ไปสั่งมันก็ไม่ได้ไปสั่งให้มันมาก็ไม่ได้ พอ <c oughs> พอเกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตามันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยากแล้วไม่ได้นี่โอมันทรมานใจเหลือเกินก็จะไปโกรธคนที่มาขัดขวางสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็จะไปทำร้ายเขาในที่สุดเพื่อที่จะระ ง, งับความไม่สบายใจความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากการ ผิดหวังแล้วแก้ด้วยวิธีที่ไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นถ้าไม่ไปแก้ไม่ไปฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ไปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในนรกถ้าเพียงแต่ยอมรับว่าเออเราวาสนามีแค่นี้เกิดมาเราได้มาเป็นพระออได้อภิน ญ, ญานี้ก็ถือว่าวิเศษวิโสแล้ว ทำไมต้องต้องอยากไปเป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าถ้ายอมรับความจริงเห็นความจริงว่ายศตำแหน่งมันเป็นของไม่แน่นอนอาจจะได้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ก็อยากไปเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ก็อยู่ต่อไปเมื่อก่อนเราไม่มีความอยากนี้เราก็อยู่ได้ แล้วทำไมพอมีความอยากนี่ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้คิดไม่เป็นใช้ปัญญาไม่เป็นก็เลยไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นไปดับความทุกข์ด้วยการไปสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นถ้าไม่ไปแก้ปัญหาด้วยการพยายามฆ่าพุทธเจ้าก็ไม่มีทุกข์ตามมา พยแต่ทำใจไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบเสียความอยากมันก็ระงับลงความไม่สบายใจก็หายไปไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมแล้วต้องไปรับผลบาปผลกรรมอีกต่อหนึ่งนี่แหละคือไม่มีที่พึ่งทางใจไม่รู้จักวิธีทำใจให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเวลามันเกิดขึ้นมา ก็ไม่ศึกษาพระเทวทัตศึกษาระดับแค่ศีลสมาธิเท่านั้นเองแล้วก็เหมือนกับพอจบสมาธิก็ไม่เรียนต่อเหมือนเด็กที่จบมหกแล้วก็ไม่เข้ามาหาวิทยาลัยความรู้ก็เลยไม่สมบูรณ์ความรู้ได้แค่ระดับมัธยมแต่ความรู้ระดับปริญญาตรีโทเอกนี้ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกัน ขี้เกียจเรียนวิปัสสนาพอได้สมถะแล้วก็สมถะที่ไม่ถูกคือได้อุปจารสมาธิได้อภิญญาแต่ไม่ได้อุเบกขาไม่ได้อัปปนาสมาธิได้แต่ไม่รักษาปล่อยให้ออกไปทางอุปจารสมาธิก่อนจะไปอุปจารสมาธิต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อน จิตต้องสงบก่อนแล้วถึงค่อยไปทางอุปจาระไปทางอภิญญาไปทางโลกทิพย์ไปติดต่อกับเทวดากายทิพย์ต่างๆไปอ่านวาลจิตของผู้อื่นไประเลึกชาติของของตนอันนี้เรียกว่าอภิญญาเป็นอุปจาระสมาธิแต่ไม่มีอุเบกขา แต่ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี้จะมีอุเบกขาจะมีความสุขจะเฉยจะได้จะเสียไม่เดือดร้อนคนที่มีอุเบกขานี้จะได้จะเสียไม่เดือดร้อนจะมีหรือไม่มีไม่เดือดร้อนแต่คนที่มีอุปจารสมาธิไม่มีอุเบกขาจะเดือดร้อนอย่างอยากได้อะไรก็เดือดร้อนนล้อยากเป็นนู่นเป็นนี่ก็เดือดร้อนแล้ว พอไม่ได้เป็นก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่ออันนี้แหละคือการไม่ศึกษาตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยเสียวด้วยซ้ําไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เอแต่ไม่ยึดพระพุทธธรรมพระสงฆ์แบบเต็มร้อยยึดเอาในส่วนที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบไม่ไม่เอาอ ไม่ชอบวิปัสสนาไม่ชอบพิจารณาตายรักไม่ชอบอนิจจังคนบางคนนี้พอพูดคำว่าอนิจจังไม่เอาเลยคำว่าตายนี้ไม่เอาเลยถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วไปเลือกเลือกธรรมะต่างๆมันก็จะไม่ได้ธรรมะครบบริบูรณ์ชอบได้ได้อภินญาชอบเหอะเหินเดินอากาศ ชอบติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆชอบระลึกชาติได้ชอบอะไรอย่างนี้ได้แต่เรื่องราวเหล่านี้มันไม่สามารถมาบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ไม่สามารถสร้างความสุขต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจได้เพราะว่าไม่ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสระเต็มร้อยนั่นเองเอาบางส่วนอย่างยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเอาแต่สมาธิเอาแต่ความสงบนั่งสมาธิแล้วมีความสุขแต่พอให้สอนให้พิจารณาตายลักนี่ไม่เอาพิจารณาว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่สวยไม่งามร่างกายมีอาการสามสิบสอง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีตับมีหัวใจมีปอดมีไตมีลำไส้มีสมองมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมีอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในลำไส้มีน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำทะเลน้าดีน้ำอะไรต่างๆของเหล่านี้เป็นวิปัสสนาญาณ แต่ไม่ชอบกันไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันพูดกันเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ศึกษายังไม่อยู่ในระดับวิปัสสนาครูบาอาจารย์เลยไม่ค่อยสอนเรื่องราวล่านี้วิปัสสนาญาณนี้ส่วนใหญ่จะสอนกับพระมากกว่าพระนี่เป็นผู้ที่มีความพร้อมมากกว่าผู้ครองเรือน ผู้คลองเรือนยังหลงรักร่างกายของตนของคนนั้นคนนี้อยู่ถ้ามาสอนให้ดูว่าร่างกายของตนนี้น่าขยะขยะังก็จะไม่กล้าดูไม่อยากดูถ้าสอนว่าร่างกายของแฟนนี้หน่าเกลียดหน้าขยะขยะังก็ไม่ยอมมองไม่ยอมคิดก็ถึงไปไม่ถึงวิปัสสนากัน ส่วนใหญ่สําหรับผู้กของเรือนี้ไปได้ก็แค่สติสมาธิส่วนวิปัสสนาอยากไปกันพูดถึงกันอยู่เรื่อยถึงเวลาให้ไปจริงๆไม่ไปกันถึงเวลาบอกให้พิจารณาอาสุภะไม่พิจารณาพิจารณาอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายไม่พิจารณาพิจารณาปฏิกูลของอาหารไม่พิจารณากันไปไม่ได้เพราะ หคงจะยังไม่มีสมาถะยังไม่มีสมาธิที่มีกําลังพอนั่นเองผู้ที่จะไปวิปัสสนาได้ต้องมีอุเบกขาใจต้องเฉยไม่ว่าจะเห็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบคิดถึงสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบก็เฉยได้ถ้าไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบแล้วเกิดอาการหดหู่ไม่สบายใจขึ้นมาก็พิจารณาไม่ได้พิจารณาความตายไม่ได้พิจารณาอสุภะไม่ได้ พิจารณาปฏิโกณไม่ได้เมื่อไม่พิจารณามันก็จะไม่รู้ไงการพิจารณาก็เหมือนการท่องสูตรคูณเนี่ยเราต้องท่องบ่อยๆท่องจนจําได้พอจําได้แล้วทีนี้มันก็ใช้งานได้เวลาจะคูณอะไรก็สองบวกสองคูณสองสี่แปดคูณแปดหกสี่มันจะขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่ท่องไว้ก่อนพอจะใช้มันใช้ไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่พิจารณาร่างกายจนกระทั่งจำได้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่สวยไม่งามมันมีอาการสามสิบสองมันเป็นดินน้ำลมไฟอาหารที่เราอยากกินชอบกินกันมันก็เป็นปฏิกูลถ้าไม่ม า, มาพิจารณาให้จำได้เวลาเห็นอาหารคิดถึงอาหารกจะคิดแต่อ า, าอาหารอยู่ในจานออกมาจากครัวสดๆร้อนๆมีควันขึ้น เห็นแล้วก็น้ำลายไหลทั้งๆ ท, ที่ร่างกายบอกพอแล้วจะเป็นต่มแล้วร่างกายนี้หยุดกินได้เจ็ดวันก็ไม่ตายมีสเปียงสำรองไว้เยอะแยะแต่ก็หยุดความอยากกินไม่ได้แล้วกินเข้าไปแล้วใครเล้าเคราะก็ร่างกายโรคต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาโรคไขมันหุดตันโรคเบาหวานโรค อะไรต่างๆก็ตามมาเป็นขบวเนเพราะไม่มีกำลังที่จะห้ามความอยากได้นั่นเองเพราะไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีความรู้ที่จะมาหยุดความอยากต่างๆแต่ถ้าพิจารณาได้พิจารณาร่างกายได้พิจารณาอาหารที่เป็นปฏิกูลได้รับรองได้ว่าจะแก้ปัญหาความอยากได้ไปหมดเลยความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็แก้ได้ จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ทุกข์กับความอยากมีแฟนเพราะจะไม่อยากมีแฟนถ้าเห็นร่างกายของแฟนแว่ามันไม่น่าดูจะไปเอาทําไมไปเอาโครงกระดูกมาทําไมเอาลำไส้ของแฟนมาทําไมเอาตับเอาไตาเอาปอดของแฟนมาทําไมมันมองไม่เห็นนะ่นมันไม่พิจารณาไว้ก่อน พอเห็นก็จะเห็นแต่หน้าอย่างเดียวเห็นแต่คิ้วเห็นแต่ตาโอ้ยตาสวยคิ้วสวยจมูกโด่งฟันสวยเห็นแค่นี้ก็หลงไหลคลั่งไคร้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะแต่ถ้าไปเห็นเอภายในเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ยีนอนหลับสบายอืไม่เอาดีกว่า ก็จะไม่ต้องมาห่วงว่าเขาจะรักเราเขาจะชอบเราหรือเปล่าเราไปจีบเขาเขาจะเอาเราหรือเปล่าอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาตามมาความทุกข์ต่างๆเกี่ยวกับทางร่างกายก็จะไม่มีถ้ามีวิปัสสนาแต่ก่อนจะวิปัสสนาได้ต้องมีอุบเบกขาก่อนถ้าจิตไม่มีอุบเบกขาจิตจะจิตจะปฏิเสธจิตจะไม่ยอมมองความจริงอีกด้านหนึ่ง ความจริงที่ไม่สวยไม่งามที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่เป็นความจริงที่ต้องดูต้องรู้จักถึงจะสามารถมาเบรก ค, ความหลงเบรกกิเลสตัณหาได้ถ้าไม่มีความจริงอีกด้านหนึ่งจะถูกหลอกให้ไปหลงไปรักไปชอบไปยึดไปติดแล้วก็ไปทุกเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมด ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขเดียวเดียวอันนี้เพราะไม่ได้ศึกษาจากผู้รู้จริงต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกแล้วต้องทำตามที่ท่านสอนทั้งสังถ้าไม่ถ้าไม่ทำตามไปไปปรับเลือกวิธีปฏิบัติของตัวเองมันก็ไปเข้าทางของกิเลสทันทีไปสู่ความหลงทันที ท่านสอนให้ทำาไงต้องทำทำไปตามขั้นตอนด้วยมันมีขั้นมีตอนเหมือนเดินขึ้นบันไดกันส่วนใหญ่พอมาเรียนนี้อยากจะไปวิปัสสนากันอยากจะไปปัญญาไปเรียนอภิธรรมดีไหมเราเป็นปัญญาชนเราจบปริญญามาแล้วเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้ระดับปริญญาต่างๆได้แล้วแต่ปริปริญญาหรือปัญญาทางศาสนานี้ ถ้าไม่มีอเบกขามาสนับสนุนก็เป็นความรู้ท่วงหัวตัวไม่รอดนั่นเองเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วมันไม่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาเรียนปุ๊บเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วพอสอบเสร็จได้ประกาศประกา ศ, ากาศนียบัตรว่าได้จบหลักสูตรอาพิธรรมแล้วได้ใบรับรองแล้วทีนี้ก็ลืมไปแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาตายลักไม่รู้หายไปไหน ปฏิกูลไม่รู้หายไปไหนอสุภาษไม่รู้หายไปไหนมันเป็นสัญญามันไม่ได้เป็นปัญญาถ้าไม่เอามาวิเคราะห์มาพิจารณาอยู่จน ก, กระทั่งมันไม่หลงไม่ลืมเท่านั้นมันถึงจะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะรู้จักวิธีสร้างที่พึ่งให้กับตนแล้วตัวเองของเราให้ตัวเราเป็นที่พึ่งของเราเอง ให้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่นั้นเราถึงจะได้ของจริงของแท้นอกนั้นเป็นของเรียนแบบเท่งนั้นได้แล้วก็จะหลงทางกันไม่ได้ผลทุกไม่ดับความสุขที่ถาวรจะไม่เกิดอนี่คือเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราสร้างกันขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าสร้างได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งใครอีกต่อไปเราจะมีที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวนที่จะมาบำบัดความทุกข์มาบำรงศักดให้กับเราได้อย่างถาวนต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะ ทาวเววาหาปูราปริกุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตตสังกปาจันโทปนะหะาโสยะทามณีโชติ อระโสยะธาสัพภิติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีคายุโกผวะภิวาธนสีลิสนิจังวุทฒาปจายโนจตารุธรมมวาทานติ อายวันโอสุขังภาลางต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยเก้าสิบสองสองร้อยสิบแปดวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่รับฟังข้า่องบนนี้สามสิบสี่คนรวมทั้งหมดหกร้อยหกสิบแปดครับวันนี้ YouTube มีปัญหาเลย ม, มีไหมไม่มี YouTube น้อยเ c e b o o k เยอะเกือบสี่ร้อยถ้ามีคำถามก็ถามได้ ก็ออยังไม่มีคำถามจากข้างบนนี้นะครับออขอพระอาจารย์แนะนำวิธีช่วยลดความจำบางอย่างที่เกิดเกิดตับๆับเป็นช่วงๆได้ไหมครับมีความรุนแรงในวัยเด็กของผมที่แม่เป็นคนทำพอดียังต้องอยู่กับคุณแม่ครับลองใช้พุโทโธนี่แหละท่องพุโทโธพุโทโธไป หัดท่องพุโทโธแล้วเวลามีความจำที่ไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธดับมันได้พอคิดถึงเรื่องไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วเรื่องไม่ดีมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเราปล่อยมันคิดปล่อยมันโผล่ขึ้นมามันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเราต้องลบมัน ลบมันด้วยพุโทโธพุโทโธเป็นเหมือนอยางลบนะพยายามหัดพุดโทโธไว้ถ้าเราไม่หัดเวลาถึงเวลาจะใช้มันใช้ไม่ออกใช้ไม่ได้พุโทโธมันจะไม่ออกนะมันจะไม่มีกำลังสู้กับความความจำต่างๆยังต้องเราต้องฝึกก่อนฝึกก่อนที่ความจำต่างๆปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่ฝึกพอความจำที่เราต้องการลบมันโผล่ขึ้นมาเราจะไม่มีกาลังลบมัน คำถามต่อไปจากคุณเจ้าป่าก่อนนอนควรสวดมนต์บทไหนดีครับส่วยได้ทุกบทนะชอบบทไหนก็สวดได้เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณริชาคุณแม่หนูเพิ่งเสียชีวิตได้สองวันหนูอยากทราบว่าหลังจากเสียชีวิตภายในเจ็ดวันดวงวิญญาณยังไม่ไปไหนจริงหรือไม่คะและมีวิธีทาบุญ ให้คน พ, พุ่งเสียชีวิตได้อย่างไรบ้างคะดวงวิญญาณอาจจะไปหรืออาจจะวนเวียนอยู่ก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ความผูกพันของดวงวิญญาณดวงวิญญาณเบื่อบ้านนี้พอตายไปก็ไปเลยเบื่อคนในบ้านนี้ก็ไม่อยู่ดวงวิญญาณบางดวงยังรักยังหวงสิ่งนั้นสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ ก็อาจจะวนเวียนอาจจะดีไม่ดีมาเกิดเป็นตุ๊กแกเป็นยิ่งจกในบ้านหรือเป็นหมาในบ้านก็มีเคยได้ยินนิทานในพุทธสมัยพุทธกาลไหมมีเศรษฐีคนหนึ่งนี่ตนันีห่วงสมบัติมีเงินทองหามาได้เท่าไหร่ไม่บอกใครเอาไปฝังดินไปซ่อนเอาไว้ฝังดินไว้พอเวลาตายไปดวงวิญญาณก็ห่วงสมบัติ ก็มาเกิดในท้องหมาที่ของในบ้านนั่นแหละเอ้าท้าเจ้าผ่านมาเห็นหมาตัวน้อยนี่บอกไอ้หมาตัวนี้เป็นพ่อของพวกมึง น, นะเลี้ยงมันให้ดีอย่าให้มันหายไปนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้ไม่นานพอมันโตขึ้นมามันมันก็ไปขุดสมบัติที่มันเคยฝังเอาไว้นี่มันไม่แน่นอนดวงวิญญาณของแต่ละคนอยู่ที่ว่า เบื่อหรือไม่เบื่อรักหรือไม่รักคนบางคนเนี่ยมบางทีไปไม่กลับมาเลยใช่ไหมไม่เคยส่งข่าวมาเลยแสดงว่าไม่คิดถึงเลยไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับที่ที่เคยอยู่เลยแต่บางคนไปปุ๊บเดี๋ยวโทรมาแล้วปั๊บไปไม่ไปได้ไม่กี่นาทีก็โทรมาแล้วน้นดวงวิญญาณแต่ละดวงไม่เหมือนกันความผูกพันความเกี่ยวข้องกันมันไม่เหมือนกัน งั้นก็ทําไปถ้าอยากจะทําบุญเขาจะมาแล้วไม่มาวนเวียนแล้วไม่วนเวียนเราสามารถส่งบุญไปได้ถ้า้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับคําถามต่อไปจากคุณกนกวัน mm hmm. การฝึกปฏิบัติโดยไม่นอนสามวันห้าวันทําอย่างไรครับอ๋อนี่มันเป็นความสามารถของผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ที่เขามีพลังจิตสู ง, สง แล้วเขาอยากจะไม่อยากจะเสียเวลาเขาอยากจะบรรลุธรรมภายในห้าวันเจ็ดวันเขาก็เลยเล่นความเพียรเขามีพลังจิตถ้าจิตมีสมาธิจิตมันไม่ค่อยง่วงนอนจิตมันจะเตือนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะพักบ้างคือแต่ไม่ได้ม่ได้พักในท่านอนคนที่เขาถือเดชสัจชิกนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้นอนไม่ได้ไม่ได้พักหลับนอนได้หลับแต่ไม่ได้หลับในท่านอน จะหลับอยู่ในสามท่าท่าไหนท่าใดท่าหนึ่งท่าเดินท่ายืนท่านั่งส่วนใหญ่จะหลับในท่านั่งกันแต่มันจะหลับไม่นานเพราะมันไม่สบายพอมันร่างกายมันไม่ไหวจริงๆเรืองก็จะหลับพอร่างกายได้พักพอมีแรงหน่อยมันก็ตื่นขึ้นมาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่นละแต่ถ้านอนนี่มันยาวไปเลยหกชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่มันทําให้เสียเวลาของการปฏิบัติ เขาก็เลยเถือเนสัตชิกถือสาสามอิริยาบทจะหลับก็ให้หลับอยู่ในในสามอิรยาบทนี้แต่ไม่ให้หลับในอิรยาบทนอนอันนี้คือเรื่องของการาปฏิบัติแบบไม่นอนแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่หลับต้องหลับกันร่างกายมันถึงเวลามันต้องหลับมันก็หลับไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนเป็นแต่ว่า จะห้ามไม่ให้มันหลับในท่านอนเท่านั้นเองความหมายไม่ใช่ไม่ได้ให้นอนไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้พักผ่อนหลับนอนร่างกายมันถึงเวลามันต้องพักผ่อนหลับนอนจะไปถือยังไงอดยังไงมันก็ฝืนไม่ได้ถึงเวลามันจะหลับมันหลับได้ทั้งขณะที่ยืนใช่ไหมเวลามันจะหลับอย่างั้นไอ้ที่เขาว่าหลับไม่หลับไม่นอนสามวันห้าวันนี้หมายถึงไม่ไม่หลับนอนในอิริยาบถ ท่านอนแต่อาจจะหลับในท่าเดินท่ายืนท่านั่งได้ครับแล้วเขาถามว่ามีอุบายในการฝึกไหมครับอ๋อก็นี่แหละก็เราต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตมีพลังก่อนแล้วเห็นนิพานอยู่ริบลีริบลรเนี่มันก็จะเกิด เ, เกิดความอยากที่จะปฏิบัติแบบไม่หลับไม่นอนเองคำถามต่อไปจากคุณปริชาติ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระนิพพานและจิตทั้งห้าสิ่งนี้เที่ยงหรือไม่ครับไม่ต้องไปสนใจเที่ยงไม่เที่ยงให้สนใจว่าทำอะไรให้กับเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเราจิตก็คือตัวเรานิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ให้รู้แค่นี้เที่ยงไม่เที่ยงไปเที่ยงให้มันปากเปลี่กปากฉีกไม่เกิดประโยชน์เลย เป็นความรู้ที่ไม่ไม่ไม่สำคัญที่จะต้องรู้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามนะครับคำถามแรกการที่เราไม่คบคนพานไม่เสวนาด้วยผิดหรือไม่ครับคำว่าไม่เสวนาไม่ได้หมายถึงเราจะไปรังเกียดเขาเพียงแต่ว่าไม่ให้ไปทากิจกรรมที่เขาทำที่เราไม่ควรจะทำ คนพานจะชอบเล่นการพานันถ้าคบกับเขาแล้วถ้าเราไปกินข้าวด้วยกันไปทางานด้วยกันก็ทำได้คบได้แต่พอเขาชวนเราไปเล่นการพานันเราก็ต้องไม่ไปความหมายก็อยู่ตรงนั้นก็ อ, อย่าไปทำกิจกรรมของคนพานเขาเล่นการพานันก็อย่าไปเขาดื่มสุราก็อย่าไปเขาเที่ยวเราก็อย่าไปเขาขี้เกียจเราก็อย่าไป นี่คือความหมายของการไม่คบคนผ่านแต่ถ้าคบกันเพื่อทำมาหากินเพื่อทำประโยชน์ร่วมกันทำได้ก็ทำไปไม่มีปัญหาก็ทำร่วมกันได้คำถามที่สองครับการที่เราชอบอยู่คนเดียวและไม่ชอบสูงสิงกับใครอันนี้ถือว่าผิดหรือไม่ครับ ไม่หรอกก็เป็นนานาจิตตังคนบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวบางคนก็ชอบอยู่หลายคนแต่เราไปอยู่กับพวกที่เขาชอบอยู่หลายหลอยู่ร่วมกันหลายคนเราอยู่คนเดียวเราก็กลายเป็นแพะแกะดำไปแต่ถ้าเราไปอยู่กับพวกที่เขาชอบอยู่คนเดียวแล้วเราชอบไปสูงสิงเาก็เราก็กลายเป็นแกะดำไปถ้าถ้าไปอยู่วัดปฏิบัตินี่จะไปสูงสิงกับพระองค์นั้นองนี้เขาไม่เอาด้วยพระเขาอยากจะอยู่คนเดียว เนี่เราก็ต้องเลือกสังคมของเราถ้าเราชอบอยู่คนเดียวเราก็ไปอยู่กับสังคมที่คนก็ชอบอยู่คนเดียวถ้าไปอยู่กับสังคมที่เขาชอบคุกคีกันมันก็มันก็ไปขัดกับเขานั่นเองมันไม่ผิดไม่ถูกอ่ะมันเรื่องของความชอบเหมือนคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปอยู่กับคนที่กลุ่มที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวคนที่ชอบกินฟาสต์ฟู้ดก็ต้องไปอยู่กับกลุ่มที่กินฟาสต์ฟู้ดมันจะไปด้วยกันได้ คำถามต่อไปจากคุณดาวพรุ่งนี้เป็นวันศาสตร์จีนลูกควรจะทําบุญอย่างไรครับก็ทําทุนทําทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยจะทํำยังไงถ้าเป็นชาวพุทธก็ทําอย่างนี้จะเป็นวันไหนก็ตามก็ทําบุญในาศาสนาพุทธเนี่ยทําทานรักษาศีลภาวนาเป็นหลักฟังเทศฟังธรรมเนี่ย คำถามต่อไปจากคุณหญิงพระที่มีอภิญญาเป็นพระอรหันตุกรูปหรือไม่ครับและพระอรหันต์ไม่มีอภิญญาเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละคนมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันอภิญญานี้เป็นความสามารถพิเศษที่อาจจะเกิดเพราะว่าในอดีตชาติเคยเรียนรู้มาเคยฝึกฝนมาคนที่ไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยฝึกฝนมาก็ไม่มี การเป็นพระอารหันต์นี้ไม่จำเป็นจะต้องมีอภิญญามีมีมีปัญญาหรือที่เรียกว่าอาสวะขยะยานคือความรู้ที่สามารถกาจัดอาสวะต่างๆคือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปก็เป็นพระอารหันต์ได้พระหลายจึงมีอยู่สี่จำพวกด้วยกัน ทำไม่ได้แล้วมีพวกไหนว่าพวกเบียปิน ญ, ญาพวกระลึกชาติได้พวกมีความสามารถในการแสดงธรรมนั้นมีความแต่พวกที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเพียงแต่มีอาสวัคคายายฆ่ากิเลสตัณหาของตนได้เท่านั้นอยากจะสอนคนอื่นก็ไม่เก่งจะหอเหาะเหินเดินอากาศก็ไม่ได้ระลึกชาติก็ระลึกไม่เป็นแต่ก็เป็นพระอารหันต์เหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณภูริตาหากเราได้เคยถวายปัจจัยกับพระสงฆ์และพระรูปนั้นได้ลาศิกขาไปนำปัจจัยไปใช้ส่วนตัวอันนี้สงฆ์ที่เราสร้างบุญไปนั้นยังเป็นบุญอยู่ไหมครับเอ้นเราถวายให้ใครเราให้เงินใครเป็นบุญทั้งนั้นให้พ่อให้แม่ก็เป็นบุญให้เพื่อนฝูงก็เป็นบุญให้คนยากคนจนคนยากไร้ก็เป็นบุญยังไม่ขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้ที่รับ อยู่ที่การให้ของเราถ้าเรามาให้ก็สแสดงว่าเราได้บุญแล้วคำถามต่อเนื่องจากคุณริชาที่แม่เพิ่งเสียไปครับเขาบอกว่ามีวิธีตัดห่วงไหมคะเพราะหนูรู้ว่าแม่อยากอยู่กับลูกๆนานๆท่านไม่ได้อยา ก, กจากไปเลยหนูไม่อยากให้ท่านวนเวียนอยู่แบบนี้เจ้าคะ่ะเราไปตัดความห่วงของแม่ไม่ได้เราตัดความอยากของเราได้ เราตัดความอยากของเราแล้วเราก็จะสบายใจที่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากไม่ให้แม่มาวนเวียนอยู่เราไปห้ามแม่ไม่ได้แม่จะมาวนเวียนและไม่มาวนเวียนนี้เป็นเรื่องของแม่เขาเรื่องของเราก็คือเราต้องมาหยุดความอยากไม่ให้แม่มามาวนเวียนเท่านั้นเองแล้วเราก็จะสบายใจคนบางคนเขาขบดีใจมีแม่มาวนเวียนอยู่อยูอย่ใกล้ชิดกันอ ย, อยู่ให้เรากับไม่อยากให้มา è, กับเป็นของแปลกไป เกลียดแม่แสดงว่างี้เกลียดแม่มากกว่าแล้วกลัวแม่มันกลัวผีแม่คำถามต่อไปจากคุณอ้อยคนที่เสียชีวิตด้วยโยครคภัยไข้เจ็บบางคนบอกว่าหมดบุญบางคนบอกว่าหมดกรรมเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าคนที่เสียไปนั้นหมดบุญหรือหมดกรรมมันไม่หมดอะบุญก็ไม่หมดกรรมก็ไม่หมดมันหมดลมแต่มันใช้ภาษาแทนกันไป มันไม่อยากใช้คำว่าตายเท่นั้นเข้าใจหัหยคนเราตายนี้ไม่บอกไอ้คนนี้ตายไอ้คนนี้หมดบุญหมดกรรมหมดลมมันก็พูดไปแต่มันไม่ใช่หรอกมันไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่มีอะไรหมดสิ่งที่มันหมดก็คือหมดลมนะคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์นะครับคุณนิสาเวลาทำบุญดิฉันอธิษฐานจิตทุกครั้งว่าขอให้ผลบุญนี้ เป็นปัจจัยส่งผลให้มีดวงตาเห็นธรรมและเข้าถึงนิพพานในวันข้างหน้าถือว่าทำบุญด้วยความโลภไหมเจ้าคะก็เหมือนกับเราไปเอาเงินไปซื้อของที่ร้านเนี่ยเราให้เขาร้อยบาทเราขอของทั้งร้านมันได้หอป่มันไม่ได้หรอกเรารอยบาทเขาก็ให้ของร้อยบาทเรากลับมาเราทาบุญร้อยบาทเราก็ได้แค่ร้อยบาทเนี่ยเราจะไปขอ ขอบุญทั้งทั้งทั้งนิพพานเลยไ ม, ไม่ได้หรอกจะโลบเมื่อไม่โลภมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแล้วจะขอไม่ขอมันก็ได้พอไปเงนยื่เงินให้ที่ร้านเขาร้อยเขาก็หยิบของให้เราเราจะเอาหรือไม่เอาเขาก็เขาก็หยิบให้เราดังนั้นเวลาทําอะไรแล้วอย่าไปไม่ต้องไปขอให้เสียเวลาทําแล้วมันจะได้เท่าที่เราทำํทำทําน้อยก็ได้น้อยทํามากก็ได้มาก หมดแล้วเลยมลครับเออโอเคดีวันนี้หมดเร็วหน่อยก็ดีแล้วเดี๋ยววันนี้วันโกนจะได้ไปโกนหัวหน่อยก็ <g ül> คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ